เราแผ่เมตตาให้คนช่คะคนที่อมีจิตใจที่ไม่เป็นกนะครัทำไมยิ่งแผ่าีข่าวาขายช่วโดยที่มันเนลวยมากขึ้นททำให้เเราแผ่เมตตาเนี่ยนะแผ่เพื่อตัวเรองแผเมตตาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เบียเบียนะาเาไฆาพยาบาทเขาความดีไปเกิดที่ตัวเราไม่เ้าจะเป็นไงเป็นกรรมของเขา มีกิเลสของเขามกรรมของเขาแล้วถ้าเราต้องต้องอยู่ร่วมกตกคนแบบนี้เราจะรักษาใจของเราอย่างอย่างหนึ้ใช่ไหมคะมันจะมีอาการเนี่ยที่หลวงพ่อว่ารู้ใจโดยจะรู้ว่าเนี่ยอยเมื่อวานเขาอาฆาตพยาบาทมากเราก็รู้ว่าเาอาฆาตพยาบาทแล้วเขาก็ทํากับเราใช่ไหมคะใจเราใหญ่ไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะบอกว่าเขาทําอะไรเขาก็ได้รับกรรมอย่างนั้น ไม่กล้าไม่ได้ที่ต่อต้าน่สร็จแล้วเนี่นมัก็มีสองใจที่ต่อต้านกันทาไมเราเนะีแค่กล้าว่าแค่จะบอกว่าคนทำกรรมก็ต้องได้รับกรรมเรายังไม่กล้าแต่อีกคนจะทำกำับเราครั้งแล้วครั้งเล่าคนมันไม่เหือนกันเขาเคยศึกษานมกินใจกุแจเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วแต่แต่กว่าจกวางลงได้นะคะใช้เวลาคือ คือแทนที่เราจะเพยายามแขมีศากเพื่อให้คนดีนะเราก็จะต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเราไปแก้อะไรเขาไม่ได้หรอกอนี้สําคัญเราต้องรักษาใจของเราตัใจของเราไปเป็นกลางรู้สึกไหมใจเราอยากให้เขาเปลี่ยนพอใจเราอยากให้เขาเปลี่ยนความอยากมันมเกิดที่ใจเรานี่ให้ความคุ้มมันก็เลยมเกิดที่ใจเรานี่แล้วอย่างนี้เราให้เรารู้ทันใจของเราเราอยากให้เขาเป็นอีกอย่างไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ ความอยากนี่แหละทำให้เราทุกข์แล้วเวลาเราปวดมดเราแผ่ เ, เมตตาให้เขาตอ ไ, ได้นะาไปเพราะว่าเราแผ่แล้วเราได้ไประโยชน์ใจเราไม่อักคณาเราทาไปนี่นะปวดแรกทีไ่ได้กเนะราละเกิดเขาจะได้รื่ได้ซึมแล้วหนุกมพ่อเขอย่างที่หนุ่วานที่ดโผล่ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองลุงกกลับไปเนี่ยหนุ่มเกิอดอกกกปิดีไปทั้งวันสองวันสนะามวันจนจบจนจบตัวเองว่า รู้ใจตัวเองว่าเราปิดตินะทำไ ม, มถึงติดิถึงขนาดนา้นั่นแหละเรารู้ใจเขาไม่เที่ยง น, นะเขาไม่ปิตินนะอากอะไรเลยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ปิติอย่างนะั้นใจเราจะสอนธรรมะตลอดไม่มีแก่สองสิบแล้ไม่มีอ ะ, อะไรต่อตั้งแต่ขึ้นมาถึงตอ น, น ของนอกๆจะเห็นผีสางนางไม้เห็นอะไรก็ได้ไม่มีความสําคัญอะไรเห็นผีกับเห็นคนก็เท่าเท่ากันเท่าเทียมกันนะเห็นคนนี้เราดีใจเห็นผีเรากลัวดีใจกับกลัวมันก็เท่ากันเป็นสิ่งที่แปลกต่อมันไม่ในใจให้ใครรู้ใครเห็นที่เราเห็นปัญหาที่เราปัญหาที่เราก็เป็นเชื่อว่ามันมันขัดอะไรก็ได้ไม่มีนัยยะอะไร ไม่เป็นไรเหมือนการตัดที่เหมือนการัดที่เราเหมือนเราดูทีวีเหมือนกันครับอะไรก็ได้คือแก่นหรือหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองเราฝึกไปเพื่อฝันดึงจิตเราพ้นจากความทุกข์นี่เราเข้ารู้เข้าดูเป็นวันยังเห็นไหมจิตไม่เที่ยงหรอกจิตเรยเป็นตัวทุกข์เราปล่อยวางเราพ้นเพ้มันไม่ใช่เราจะไปหาความฉลาดรอบรู้อะไรข้างนอกมากมายนะเป็นภาระ ทำให้ช้าใจเด็ดๆนะเข้ามาที่ใจเรารู้ไปเรื่อยรู้สึกตัวบ่อยๆนะจะได้เร็วเร็วเพราะพี <c oughs> ่เก่งว่าตรงตรงนี้เนี่ยที่ปฏิเพราะว่าเราเจออย่างว่าหน่งหนึ่งนี้เป็นส่ว น, น, น, น, น, นทัว่วเยอะมีส่วนก็รู้ไปที่สำคัญต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกตัว<ๆ>จะทำอะไรก็ต้องรู้สึกตัวไว้ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกชอบอิรธิยาบทก็ดูอิทิยาบทไปรู้สึกไหมกายนี้เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนดูอยู่ตั้งหานะต้องมีใจเป็นคนดูนะจะมีแต่อิริยาบทแล้วใจไหลลงไปในใกายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะแยกออกไหมรูปมันเคลื่อนไหวนะใจมันรู้อะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงอ่าอีกคนนึงมันคอยดูอยู่ดูห่งหางๆกระโดดไปเจ๊ความรู้สึก มันแบบว่าเล็กเล็กด้วยในการที่เราเห็นการได้แต่จริงๆเห็นคนลักษณะนั้นธรรมชาติของจิตรู้ครั้งหนึ่งอย่างเดียวแต่มันเร็วลองปฏิบัติทำอยู่นะฮะซึ่งนียากทราบว่าที่ปฏิบัติทราบได้นั้นที่ปฏิบัติอ่นี้มันถูกหรือเปล่ า, าอ๋อกิเลสเกิดรูไ้ไหมล่ะเวาลาโกรธรู้ไหมใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละ แรกๆเราจะรู้แต่ของหยาบก่อนไปก็รู้ได้ละเอียดขึ้นสปีปัญญามันเร็วขึ้นก็รู้ละเอียดการนั่งสมาธิมีอย่างเดียวใช่หคือนั่งคือนิ่งๆอย่างเดียวนั่นใช่มอย่างนี้นั่งสมาธิมีสองวัตถุประสงค์<ะ>วัตถุประสงค์อันหนึ่งนั่งพักผ่อน<ะ>ทาอะไรแช่อะไรเป็นอารมณ์นั่งสมาธินั่งสมาธิก็ท่องพุทโธเออท่องพุทโธไปนะพุทโธพุทโธแล้วท่องทำใจให้สบายพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบ<ะ>ต้องจานะ ความสุขความสบายอ่ะมันทําให้เกิดความสงบถ้าเราท่อพุทโธอย่างสบายๆไปเดียวๆก็สงบแต่ถ้าท่องแล้วอยากให้สงบเนี่ยใจเล่าร้อนอยากให้สงบไม่สงบมีวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งคือทําให้สงบอีกอันที่สองที่เราทำสมาธินี่เพื่อเป็นฐานของวิปัสสนาเราพุทโธพุทโธแล้วก็พอรู้ทันใจพุทโธแล้วใจหนีไปก็รู้พุทโธแล้วใจมีความสุขก็รู้พุทโธเรารู้ทันใจที่อ่านหนังสือของหลวงพ่อนะคะ ถ้าเกิดนั่งผิดเนี่ยไม่สามารถแยกขันไม่แยกไม่มันไม่สามารถนี่คือคือมันดูไม่ออกเลยมันจะปิดเพ่งฉะนั้นอย่างหายใจเข้าหายใจออกนะใจมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูเท้าดูท้องใจมันก็ไหลไปหมดเลยไปนอนแช่นิ่งๆอยู่นะมันไม่มีคนนึงเป็นคนดูขึ้นมาถ้าภาวนาเป็นนะจะเห็นเลยไอคนนี้มันหายใจมีคนหนึ่งมันเป็นคนดูอยู่เหมือนที่เรเห็นตัวเองกําลังนั่งอยู่นี่รู้สึกไหมยอคนนี้มันนั่งท่านี้อย่างนี้ ยังไม่รู้สึกสติเพราะว่าสติสติมยังไม่เกิดนะตอนเนี้ถ้าถามหลวงพ่อว่าภาวนาได้ยังยังนะเพราะยังอยู่ในโลกของความคิด่ใจจิตสติมยังไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเลยอีกแล้วเห็นไหอเนี่ยตื่นเป็นอย่างนี้รู้สึกไหมเป็นรู้ตัวชัดขึ้นมาเลยชัดสว่างขึ้นมาตอนนี้หนีิปคิดอีกแล้วรู้ไหมไตคิดคิดต่อไป คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทาั้งนี้เถอหลวงพ่อแก่กูตึ่รู้ล่วงหน้าเนอะเป็นสมถะทั้งมดน่นนะเป็นผลของสมถะอย่างอย่างตอนนี้ใจสงสัยรู้ไหมใจกำลังตั้งใจฟังคำตอบของหลวงพ่อรู้ไหมเนี่ยให้รู้ทันลงปัจจุบันไปเลย ขยิบหน้าเรารู้ไหมเมื่อกี้นียต้องรู้ทีหลังให้รู้ทีหลังเดี๋ยวก็ตื่นนะหงพ่อคำตอบ่นั่งให้พ่อดูยังไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติเลยดูออกอะไรขึ้นไหมดออคทีนี้หนูก็ต้องดูดไปแต่ว่ายังติดอยู่ที่พ่อไปดูไอ้ยิบยับอาดูพวกยิบกันอรหลวง่อคยิบยัเนี่ยคือจิตเกิดจากงนะก็คือความปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะ คือก่อนที่มันจะแปลออกมาเป็นโรภตกรธหลงหรือความคิดหยาบๆนั้นมันไหวๆอยู่เช่นนี้ถ้ามันพัฒนาต่อไปว่าเปกิเลสที่อยากขึ้นมาเป็อันนี้หนูเข้าใจครับง่ายแดง <c oughs> เป็นไงเป็นไงไม่เจอนานอือมเพราะไงเจอนานเลยีตอนเราสวดมน <c oughs> ต์เนี่ยจะมีคมึกแล้วก็มีอันนี้เหมือนกับ อันนึงเราก็ท่องไปอืมก็อันนึงมันดูไปก็ไหวเปไหวอ่านั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นอเป็นอย่างนั้นแหละท่องเนี่ยก็ดูไอ้เนไอ้ร่างกายมันก็อันนึงไอ้คนสวดมนต์นันมันก็อันนึงแล้วมันจะมีสติมีสติกันหนึงนะแล้วก็มีความรู้สึกอีกอันนึ่งนะอย่างจะสบายมีความสุขโรือเพิมใหม่แล้วในร่างนี้มันสวดไปได้เลยสติมันได้เพราะว่าเราสั่งมันไปเรียบร้อยแล้วรูปเนี่ยมันายุยืน พอจิตมันสั่งแนละ้วมันทํางานต่อนเนื่องได้อีกสิบเจ็ดขณะก็ผมก็สงสัยที่ตอนส ต, ติเราไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่ก็สวดไปเรื่อยแล้วสติเพราะว่าจิตมันสั่งไปแล้ ว, ลวรูปกัยย้นอายุยืนใจทําสุกแล้วสูข<ม>แล้วาบายบ่อยออืพอไม่สบายแล้วก็หลุกตัวยังตัดตัวนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ค่อยสื่น้แล้วแหละ มานี่แล้วเริ่ดีเออดีนะติ่นแล้วใช่ได้เริ่มจับได้ไวตอนที่ปวดเมื่อยมันเป็นเป็นเป็นเป็นอาการอย่างอืกย้่ยเวลาเวลาปวดนี่มันจะเป็นอาการแบบขนลุกขึ้นมาแล้วก็เหมืนจะรวมหรือก้อนก้อนแช่เนีนั่นแหละดูแบบไหลก็ได้มันก็แบบมันคล้ายๆมันสร้างแล้วเราก็ดูมันก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นมันสร้างได้เรื่อยๆเพราะเรารู้ไม่ทันมันถ้ารู้ทันมันมันจะเลิกสร้างนะ ตัวกนนะอปอเป็นไง่อพวกหลุกจากพวกคนตอนนี้เาเป็นหว่าทวกอันเดิมนี้มันจะกลับมาได้อีก ไ, มไหมคะ่ะก็เกิดท้ดีขึ้นจากทุกตัวที่เคยเคยเป็นอยู่ตรงนั้นต้องสู้นะชีวิตแต่ต้องปฏิบัติต่อรองเหอนกท่านครับที่ตัวเองเนี่ยมีค่าหนึ่งที่เม่เ ก, กิดอารมณ์แบบ มัหูเนี่ยเเกิดความรู้สึกมัวหูอันนั้นเป็นรักฐางการเกิดแล้วพักเดียวมันหยุดไปเองการการเกิดแล้วดับใช่มันเกิดดับให้ดูไม่ใช่เราไปทำมันเกิดดับคิดว่ใช่เพื่อว่าคุจะคุยกับปออยู่ตลอดเรื่องนี้กปอที่พูดกันว่าตรงไหนก็เกิดจะดับก็ไม่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงไหน จิตจะตกผวังทั้งวันวันหนึ่งนับครั้งไม่ถ้วนจิตเนี่ยนะตก ข, ขึ้นมารู้อารมณ์ได้แว บ, บเดียวนะแล้วก็ตกผวังลนะตกผวังแล้วขึ้นมารับอารมณ์ครั้งใหม่ดังนั้นอย่าไปตกใจเรื่องปิตตกผวังแต่ปิตขาดสติน่ า, นากลัวอที่ว่าตกภวังของนักปฏิบัติส่วนใหญ่คือปิดขาดสตินั่งแล้วก็ง้งองแง่งงองแง่งเลยรู้เรื่องดัง น, นั้นปิตขาดสติ สังเกตไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อไม่ขาดความรับรู้ขาดเป็นช่วงๆในหลายช่วงที่มันแว บ, บหายไปนะนะั่นแหละเรียกว่าผวา ง, วงมันมันเห็นเองไม่ต้องไม่ต้องจงใจนะถ้าจงใจทําจะผิดให้รู้ไปตามธรรมดานะของคุณพอใช้ได้แล้วคุณดูไปอย่างที่ทําอยู่นี้แหลนะดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆเท่านะั้นะพอได้อยู่ ว่ารูปนิมิยกไวสอส น, นใจเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่างจิตมันออกรู้ออกเห็นอะไรเนี่ยนะอย่ไปสนใจมันโยนทิ้งไปเลยยกไว้ก็คือไม่ต้องไปใส่ใจมันสต่นามนิมิตเนี่ยไม่เอาเหมือนกันทิงทก็กไม่เอาทั้งคู่นั่าแหละไม่เอาทั้งหมดนะ่ะนิมิตนะรูปนิมิตรูปนิมิตเนี่ย โอเหมืนพูดยากนะแล้วมันมีนิมิตไหมมันมีนิมิตไห ม, มนิมิตเนี่ยนะว่าไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะ่ะอย่าไปใส่ใจกับมันเนีย่ยที่ท่านสอนประโยชต้องการตรงนี้เมมื่อเราเห็นดีสางลางไม้เห็นเทวดานะปล่อยทิ้งเลยใจเราเกิดสมมแม่เห็นเทวดาแล้วใจเรายินดีเนะี่ยให้เรารู้ทัน อะไรงั้นมันก็เกิดกระดับไปนะมันก็คือถ้าเรียกอย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าธรรมารมันหนึ่งคือสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเมื่อใจเรารู้ธรรมารมเนี่ยหน้าที่ของเรานะรู้ทันจิตของเราพระเจ้าสอนดูสอนภิกษุทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมนะจิตยินดียินร้นยนยนายให้รู้ทันเพราะนั้นนิมิตทั้งหมดยังไม่มีในยะอะไรแต่พอจิตเราไปรู้แล้วยินดียินร้นยนายนะให้รู้ทันหน้าตาเป็นนิมิต ราาามาาไม่เป็นไรทุก <c oughs> อย่างเข้าเตรียมกันหมดนะเข้าเตรียมกันหมดเพียงแต่ทุกสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งมาล่อเพื่อให้จิตเราลงไปเท่านั้นเองร <c oughs> ู้จักอาจารย์ <c oughs> มหาบัวไหมมหาบัวไาษาเนี่ยคิเลนมันอยู่ที่จิตเราหัวหน้าอาวิชาอยู่ที่จิตเราเป็นกลัวเราจะดูจิตมันจะไปหลอกล่อให้เราเลิกดูจิตเนี่ยถ้าเอานิมิตมาล่อนะเราหมดแต่สนใจนิมิตเราก็เลิกดูจิต ถ้เราเกิดราคะเราก็ไปดูคนที่เรารัก เ, รเกิดโกรธเราไปดูคนที่เราโกรธเราลืมดูจิตเองมันจะหลอกแค่นี้แหละงั้นอ ย, อย่าทิ้งจิตนะดูไปไม่ยากนะฝึงมาจากไหนเนี่ยของใสดี ปัญหามีความทุกข์นั้วเราอยากให้มันหายนะมนจะทุกข์หนักแต่ถ้าถือวา่าเป็นบทเรียนเอาไว้ดูเอาไว้ เ, ไเรียนรู้ชีวิต่าไปกลัวมันย่าไปเกลียดมันแล้จะสู้เหมันได้เดอนานไม่ได้แวะเดียวเนื้นอกลับไปบบเป็นเดิม<ห>อย่าไป แ, บบแช่กับความทุกข์ที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกเลยว่ามันแย่ทุกขขึ้นลง แ, ลแต่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติรัชฎีก็ดูไปไ่อยกให้เป็นการสอนธรรมะเรา คือใจเราเนี่ยจะเอาดีจะเอาสุขอะไรเงี้ยพอเราจะเอาเนี่ยนะเราจะไปเอาของซึ่งมันไม่เที่ยงดีมันก็ไม่เที่ยงนะสุขมันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราเห็นเห็นจิตนีน้ขึ้นขลงลงเอาดีเอาร้ายอะไรเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าใจเราอยอมรับตรงนี้แนละใจจะเลิกลดิ้นรนถ้าใจเลิกลดิ้นก็ค้นทุกตัวแล้วไนงะ คุณลัคนีดวอกไห่แต่ละวันไม่เหมือนกันได่แค่นี้ดูไปแต่หลายๆวันไม่ได้ขึ้นไม่เป็นไรเราไม่ได้ฝึกเอาดีเราฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้หรอกตอนนี้พอมาอ่านบทที่หลวงเี่ยมันก็ตอตอบยงเลยสบายใจขนเคคุณบ้านเขาเขาทำมาอย่างนั้นแหละเขาทำแบปฝึกกลุ่ม แ, บบแต่<อ>ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์เร่งยิกเลยไม่ให้คลาดสายตาเลยคือทำได้ทำแล้วมีความรู้ว่ามันเหนื่อยและแต่เฉลี่ยคนบาคนครูบาอาจารย์เร่งเราชอบแบบสละชีวิตสู้ตายบางองค์บอกค่อยเป็นค่อยไปเฉลิตคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นใครเฉิต่ยยังไงก็ชอบครูบาอาจารย์แบบนั้น เ่านไม่สบายเหรอมอนี่แจ็คโซ่กระดีขึ้นแลนะมาอยู่ซีซีวิ่งก็ได้ช่วงปีได้เปเยี่มทันวันแรกแล้วต่อมาเขาก็ห้ามเยี่ยมอยากให้ท่านพัก่อนท่านเส้นเลือด ก็โชคดีว่ายังมีทีมที่ท่นมากเลยกสี่นจะปดคนท่ตลอดพไปถึงนาหมอเขไปที้วกแต่ว่าท่านปิดเชื้อในโรงพยาบาลทำทอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือรักษาหัใจพอหมอดูแล้วว่านเลือดมันไม่ดีป่นแค่สียงพอได้แต่ปวใจท่านจะทอะไรได้เลยขึ้นเครืองลงเ่ีครูบาอาจารย์หลองนะไปเข้าโรงพยาบาลในติดิดเชื้อในโรงพยาบาล เนี่ยมันเยอะที่สเลยโรงพาเป็นได้รอยในการ เ, เป็นมาแต่ทุกคนก็ตกใจเพราะมันถึงเป็นโศไนาฏเข้ า, อ, า, ขาออกเข้าทีไอจีดูรู้สึสก็พูด ก, กันต่อๆว่าันแรงเนี่ยต้องต้องคอยบอกต้องมีทีมน้องที่เป็นหมอ้นสิบห้าเขาบกเขาไปเขาพาถึงที่โทมาเล่านะอาเออวันนี้ผมดูดีนะนั่งได้คุีได้นะไม่บอกสิน์นะย่าเพิ่มาเยี่ยมนะมันคือบอกตลอด งทุักก่อน้วก็คงจะออกจากที่สิงคโปร์อเนยนขออันนี้นเช้าไม่น้อยจะออกอย่างซึ่งเดือนทีนั่งนั่งนั่งนั่งนงั่ันั่งนั่่ังนั่ั่งนงนังน่งนั่งรงั่ันง นโมัขะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอารตมาทีนะวาัสนะัทางับาลามธาะ ธรรม o t ิยังโอตุเอวังโอตุโยปปจเกปะมัชจิตวาปัชชาโนปปะมชติโซมังลกงะพาเสติหุโตวัจันิมายสสะปปักตักัมมักุสเรนปยติโซมังลกงะพาเซติอาหุโตวัจันติมาอภิวาธนาศีลิสนิจุทาปจายโนจตารุธรมาวัันเยยุวโนสุขังลัง มีความสุขเจริญในธรรมนะมีหน้าที่ทํางานก็ทําไปชาปุณไม่ใช่ขี้เกียจทางานนะชาปุณต้องขยันทํามาหากินต้องต้องรวยด้วยไม่ใช่ว่าต้องจนอย่างเดียวนะท่านบอกว่าอุตส่านะ้นสำธาขยันหางเงินขยันหาทรัพย์ได้สมบัติมาแล้วต้องรู้จักรักษา ให้ปล่อยวางแล้วก็สมบัติเหนีวแหลกไปหมดไม่ใช่สอนให้คบคน ด, ดีสอนให้ดำรงชีวิตอย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าธรรมะ ม, มีหลายระดับธรรมะในขั้นการเจ ร, ริญสติเราเอามาใช้กับโลกก็ได้เรายังดำรงชีวิตอยู่บนโลกเราก็อยู่อย่างทุกข์น้อยหน่อยแยกให้ออกระหว่างปัญหากับความทุกข์รานกันปัญหากับชีวิตจะเป็นของคู่กันความทุกข์เป็นส่วนเกิน เป็นจากความอยากของเราเองดนการที่เราคอยเรียนรู้ใจตัวเองนะเราสามารถอยู่กับโลกแบบทุกน้อยหน่อยถ้าเข้มข้นขึ้นต่อไปเราก็พ้นจากโลกนะของคุณไม่ต้องพ้นโลกก็ได้ของโลกถึงเวลาไปของมันเองโลกมันก็มันก็มีความสุขนะนเรียกว่ากามาสุขมันก็สุขเหมือนกัน มันใดใจของเราเราฝึกฝนไปมันเห็นว่าโอ้พวกนี้ยังสุขอย่างนี้ยังไม่พอเราปรัชนาความฝึกยิ่งแบบนี้อะไรต้องพัฒนาใครอาการมัเนเราก็ระงับมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ให้รู้ให้เห็นศักว่ารู้ว่าเห็นนะอย่างสงัชชใจเราโลภโกรธหลงนะมันจะรู้สึกเหมือนคนอื่นโลภโกรธหลงนะเราเป็นแค่คนรู้คนดู ไม่ใช่เป็นพลังงานอา า, นาไม่ใช่พลังงานพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้แปลว่าไอาการบังคับขผมผมก็คือการนะครับอากาศใช่เปิดขมมันการข่มกายข่มใจเรียกว่าหัตติธรรมะฐานโยโยข่มไว้พอข่มแล้วมันทุกเมือเช้าอพอถามคิดก็นคิดตอบไปนั้นตอนนั่งนั่งอยู่ต้อไอคำคำว่อาอาการนาั่อนอยู่เพราะวันเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนมึงง เรียนหัวเลยแล้วว่าจะนั่นกันแนี่ใสมันอย่างเงี้ยแล้วก็แค้แท่ไม่เสื้ยเท่านั้นแหละไปกราบไปกราบนุ่มปูมันอยู่นี่นุ่มปูก็บอกูกผมพูดเรื่องรู้เข้าไปท่านก็ก ร, รู้สักแต่ว่ารู้แต่ท่าจะขยายความไปสักสามนาทีห้านาทีแล้วก็หายไปพอเรามันยังไม่สักแตารู้เลยเราจะเข้าไปจัดการมันเริ่มได้แต่แรกเลยอยากรู้ก่อนถ้าอยากรู้ก็เข้าไปจ้อง มันจ้องไปเจอว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะก็จะเข้าไปแทรกแต่ถ้าสักว่ารู้เนี่ยนะไม่ได้เจตนาจะรู้แต่มันก็รู้เส้นความโกรธเกิดขึ้นไม่เจตนาจะรู้จะรู้ว่าโกรธรู้แล้วทําไงไม่ทำอะไรรู้เพื่อรู้ความจริงความโกรธเป็นแค่นามธรรมันนึงผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เกี่ยวกับเรามันจะต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแล้วมันก็จะไปของมันเป็องอยู่ที่จิตใจเราค่อยๆฉลาดขึ้นพอฉลาดขึ้นแล้วมันตั้งตัวตังอยู่ มันไม่เข้าไปแทรแสงแล้วต่างคนต่างอยู่ก็สบายไม่มีภาระเช่นเดียวกับอาการเก็งขนาดนี้ใช่นั่นคือไหนคือเราปลุงขึ้นมาอ่ะนะโยมขอเวลาให้ป้าบ้าง